ได้ดูแลแม่หรือพ่อที่แก่ชราซึ่งจะว่าไปามันก็เป็นโชคนะที่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านแต่หลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะอะไรนะเพราะพ่อหรือแม่เนี่ยชอบบนบางทีก็บวดเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต หรือคนนั้นคนนี้บงทีก็บนถึงลูกหรือถึงคู่ครองของตัวแล้วก็พูดซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าพูดอยู่กับเรื่องเดิมนี่แหละผู้ที่เป็นลูกนี่ก็รู้สึกำํำคาญหลายคนก็ไม่อยากไปกลับไปบ้านนะไปเยี่ยมพ่อหรือเยี่ยมแม่ เพราะไม่อยากฟังเรื่องเดิมๆ เ, เรื่องซ้ำๆแอ้คนที่มีประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยนะหากว่าได้มาลองเดินสร้างจังเดินจงกรมสร้างจังหวะนะเป็นชั่วโมงเป็นวันๆเนี่ยหลายคนอยากจะพบเลยนะว่ามันมีเสียงบ่นในหัวของตัวเองเนี่ย อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกับที่พ่อหรือแม่บ่นนะแต่ว่ามันก็บ่นแล้วบ่นอีกเกี่ยวเรื่องงานเรื่องนี้เดินมาชั่วโมงหนึ่งก็บ่นนั่นบ่นนี่หรือบ่นเรื่องเดิมๆวิพากวิจารต่างๆนานาเดินทั้งวันก็ยิ่งได้ยินเสียงบ่น เหล่านี้มากขึ้นไอ้ตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัตินี่มันไม่เห็นนะหรืออาจจะมีการบ่นแบบนี้แต่ไม่เห็นแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเลยนะโอ้ไอ้เหล่านี้ก็ข้างบ่นเหมือนกันและหลายครั้งก็บ่นเรื่องเดิมๆอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเพื่อนร่วมงาน เจ้านายหรือเพื่อนบ้านที่รู้ว่าติดกันมันบ่นในใจนะไม่ถึงกับพูดออกมาอย่างพ่อหรือแม่ที่เราไปดูแลแต่ก็ทํไมได้เห็นตัวเองนะว่าโอ้เรานี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากแม่หรือพ่อเลยหาว่าแม่ขี้บน่นพ่อขี้บน่น แต่เราเองมก็บ่นไม่น้อยเหมือนกันถ้าไม่เดินจงกรมเนี่ยอาจจะไม่สังเกตถ้าไม่ได้มาปฏิบัติอาจจะไม่ได้เห็นหรือได้ยินเสียงบ่นเหล่านี้ซึ่งในแง่หนึ่งก็ทำให้เราเข้าใจพ่อแม่ได้มากขึ้นนะที่เคยว่าท่าน อย่างนั้นอย่างนี้เราก็เป็นเหมือนกันเพียงแต่เราไม่รู้ตัวและเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แก่เพราะพอเราแก่เนี่ยเราก็คงจะไม่ใช่แค่บ่นในใจนะแต่ว่าก็อาจจะบ่นออกมาเป็นคำพูดให้คนที่ดูแลเราจะเป็นลูกเราได้ยินนี่คือประสบการณ์หนึ่งนะที่หลายคนพบใหนระหว่างที่มาปฏิบัติ ในลักษณะนี้แต่มันก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะมันจะมีความคิดหรือว่าเสียงอะไรต่างๆในหัวที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยสังเกตมาก่อนบางทีมันก็มีความคิดแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือความคิดอยากจะ ทำร้ายคนนั่นคนนี้ไม่ใช่ด้วยการกระทำแต่ด้วยคำพูดบางทีมันก็มีความคิดที่เห็นแก่ตัวผุดขึ้นมามันมีความคิดสารพัดนะแม้กระทั่งการจ่วงจบาบคำจ่วงจาบครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งพระตัณฑ์ไตร ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองมาเดินตรงกลมหรือมาสร้างจังหวะหรือมาปฏิบัติเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีโอกาสจะได้ผุดได้โผลนะเพราะว่าเราใจเรามันไปจดจ่ออยู่กับเรื่องงานเรื่องการหรือมิฉะนั้นก็ไปรับรู้กับสิ่งที่มันน่าเพลิดเพลินหนังที่สนุกเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยมันเลยไม่มีช่องว่าง หรือโอกาสที่ไอเสียงบนในใจความคิดลบคิดร้ายนี่มันจะผุดโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้ผุดโผล่ขึ้นมาแค่ครั้ง2ครั้งนี่มันมันมาเป็นขบวนเลยถึงตัวนั้นแหละที่เราจะได้รู้จักตัวเราเองนะว่าจริงจริงเรามก็ไม่ได้ดีวิเศษไปกว่าคนอื่นเราเองก็อาจจะไม่ได้ต่างจากพ่อแม่ ที่เรารู้สึกว่าท่านชอบจูจีขี้บน่นแล้วความคิดต่างๆเหล่านี้ที่มันผุดขึ้นมาโดยที่หลายเรื่องหลายราวก็ไม่ได้น่ารักเลยเราจะทำยังไงบางคนคิดว่าทำไงจะไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่อยากมันเกิดขึ้นเลย พราทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้ทั้ว่าฉันไม่ใช่เป็นนางฟ้าหรือว่าเทพประบุเหมือนเมื่อก่อนหรือเป็นพระเอกเหมือนเมื่อก่อนจะทำยังไงไม่ให้ความคิดเหล่านั้นออกมาถ้าถามอาตมาอาตมาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเปิดโอกาสให้มันผดให้มันโผล่เราต้องอนุ ญ, ญาตนะให้ ให้ความคิดเหล่านี้เนี่ยแม้มันจะไม่ดีมันโผล่ขึ้นมาดีกว่าไปเก็บกดมันเอาไว้ให้การที่เรานิ ญ, ญาตให้ความคิดเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เราจะทำได้ดีกว่านี้เพราะมันไม่สิ่งที่ห้ามไม่ได้ มันไม่ใช่แค่ความคิดที่ไม่ดีไม่น่ารังนะั้นแม้กระทั่งความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาสัพเพเหระที่ไม่ได้เป็นสาระอะไรเลยเนีย่มันก็ผุดมันก็โผล่นะเรียกว่าอินดวงตุงนังเลยระหว่างที่เราปฏิบัติหลายคนก็เป็นทุกข์ทําไมมันฟุ้งแบบนี้ไอตอนไม่ปฏิบัติไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยแต่พอปฏิบัติทำไมมันมีความคิดแบบนี้ฟุ้งไปหมดนะ จะทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรหรอกยอมให้มันผุดยอมให้มันโผเพราะเราไม่สามารถไปบังคับมันได้ไม่สามารถห้ามไม่ให้มันผุดโผขึ้นมาได้มันเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอ่อนนะ่ะนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คงจะรู้นะบางครั้งเด็กทารกมันก็ร้องกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ร้อง ดูเหมือนไม่มีเหตุผลที่จริงมันมีสาเหตุนะเวลาเด็กอ่อนนี่เขาร้องเนี่ยเราจะบังคับเขาให้หยุดร้องได้ไหมบางคนนี่จะพยายามบังคับลูกให้หยุดร้องเพราะาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าร้องไม่เป็นเวล่อมเวลาแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะเพราะอะไรมัน เ, เป็นธรรมชาติของเขา ถ้าคืนไปบังคับเขาเพลินนี่ไปบีบคอเขาเลยก็มีหรือแม่ก็ไปเอาเอาหมอนไปอุดปากเขาเลยก็มีมันก็มีนะคนที่ต้องการบังคับลูกบังคับเด็กไม่ให้ร้องแต่พอบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็เลยใช้วิธีที่ว่าด้วยความลืมตัวเราห้ามลูกไม่ให้ร้องไม่ได้เราบังคับเขาให้หยุดร้องไม่ได้ เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาฉันนด้นก็ฉันนั้นเราก็บังคับจิตไม่ให้หยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือว่าจะบังจะให้บังคับให้เขาคิดแต่เรื่องดีๆหรือว่าบังคับให้เขาหยุดคิดมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้ถูกฝึกฝนมาดีพอนั่นเราก็ต้องยอมนะ ยอมหรือเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้ความคิดต่างๆนานๆมันโพลขึ้นมาได้เนี่ย เ, เป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนที่มาปฏิบัติเพราะเวลามาปฏิบัติเนี่ยตั้งท่าจะบังคับจิตให้มันไปไปอย่างที่ตัวเองต้องการบังคับจิตยังไงยังไงนะบังคับจิตให้มันหยุดคิดซึ่งมันก็จะซึ่งเราก็จะล้มเหลวเหมือนกับที่เราไปบังคับเด็กให้หยุดร้องไม่ได้ จิตของเราบางทีมั น, ม น, มนก็เมือนก็เด็กอ่อนนั่นนะเด็กแบบบอกเราควรจะรู้จักอ่อนโยนกับเด็กทาลกหรือลูกของเราอย่างไรเนี่ยเราก็ควรจะอ่อนโยนกับจิตของเราอย่างนั้นในความหมายที่ว่าไม่ไปบังคับเขาในสิ่งที่มันสวนทางกับธรรมชาติของเขา มันเป็นธรรมดาที่จิตจะคิดโน่นคิดนี่รวมทั้งมีอารมณ์ต่างๆนานาช น, น, น, นิดเราไม่ควรห้ามเพราะหนึ่งเนี่ยมันห้ามไม่ได้เหมือนกับห้ามไฟไม่ให้มีควันก็ห้ามไม่ได้ห้ามเด็กทารกให้หยุดร้องหรือไม่ให้ร้องเลยก็ห้ามไม่ได้เราก็ห้ามจิตไม่ให้ฟุ้งไม่ได้เหมือนกัน แต่นอกจากเราห้ามไม่ได้แล้วเนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ควรห้ามก็คือมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ในความคิดฟุง้งกรุงแต่งต่า ง, างานๆนา น, นาเ น, นี่ ย, ยมันมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้รู้ทันความคิดและอารมณ์ จะรู้ทันความคิดจะรู้ทันความโกรธจะรู้ทันความหงุดหงิดได้ก็ต้องยอมให้มันให้ความคิดเกิดขึ้นให้ความหงุดหงิดให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นจะบังคับให้มันเงียบนิ่งสงบแล้วเราจะฝึกใจให้รู้ทันได้อย่างไรสติก็ไม่มีเครื่องฝึกซ้อมก็เหมือนกับช่างซ่อมรถยนต์นะถ้าช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยเจอแต่รถที่ ไม่เสียเลยนะรถทุกคันดีหมดเนี่ยแล้วช่างซ่อมเนี่ยจะมีประสบการณ์มีความรู้ได้อย่างไรช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยมันจะมีความรู้ได้ต้องเจอรถที่มีปัญหาต่างๆนานาเพราะรถเหล่านั้นแหละนะที่จะมาฝึกเป็นแบบฝึกหัดให้ช่างซ่อมเนี่ยมีประสบการณ์เป็นหมอรักษาโรคแต่ไม่เคยเจอคนที่ป่วยเป็นโรคเลย ทุกคนสุขภาพดีหมดแข็งแรงแล้วหมอจะมีประสบการณ์จากไหนทำไมหมอเนี่ยนักเรียนแพทย์เนี่ยต้องไปราวตามเตียงผู้ป่วยนะป่วยทั้งนั้นแหละก็เพราะความป่วยของคนไข้นั่แนแหละที่มันจะมาเป็นแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาแพทย์และบางทีต้องไปแสวงหา คนป่วยโรคแปลกๆคนไหนที่ป่วยด้วยโรคแปลกๆที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นโอ้จะมีนักสาตวแพทย์ไปมุงเงินใหญ่เลยไอ้ความเจ็บป่วยของคนไข้มันก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีของแพทย์แต่บางครั้งเนี่ยไอ้ความทุกข์หรือความไม่ราบรื่นในใจของเราเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีสำหรับเราเช่นเดียวกัน เนการที่มันมีความคิดพุ่งสร้าง ม, มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นลองที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เดรร้ายนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรผิดหวังนะแต่มันก็น่าผิดหวังน้อหลอกนะสำหรับคนที่มาเพื่อจะแสวงหาความสงบแต่ถ้าไม่ได้คิดที่จะมาฝึกจิตเพื่อความสงบแต่ฝึกจิตเพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญา ใน้การที่มันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยมันกับเป็นเรื่องดีหลวงพ่อเทียนท่านก็ย้ำอยู่เสมอนะว่าอย่าไปห้ามคิดนะเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่นี่มมายถึงเผลอคิดหลงคิดก็ยิ่งรู้รู้ว่าเผลอรู้ว่าหลงรู้ทันความคิด มันมีประโยชน์นะเพราะฉะันเราต้องยอมต้องอนุญาตให้ให้ใจเนี่ยมันคิดโน่นคิดนี่ไปได้จะทำกันได้ต้องรู้จักอ่อนโยนนะอ่อนโยนต่อใจอ่อนโยนต่อจิตไม่คิดจะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปร า, าปรถนาของเรา หือผู้ใหญ่ก็คือรู้จักให้อิสระกับใจให้ใจเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นหน้าที่เราคือยอมรับยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วกเดียวกันก็หาประโยชน์จากการที่ใจเป็นอย่างนั้นก็คือมารู้ทันเวลาใจมันเผลอใจมันฟุง้ง ต้องวางใจแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยวางใจไม่ถูกต้องคิดจะไปบังคับควบคุมจิตนะพยายามกดข่มจิตอันนี้เรียกว่าะจะลงเอยด้วยความผิดหวังและความล้มเหลวใจมันจะไปไหลไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ มันกลับมากันแล้วกันใหม่ๆเนี่ยมันก็ไปไกลนะกว่าจะกลับมาก็นานคิดไปสิบเรื่องถึงจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กักบเนื้อกตัวแต่พอเราทาไปทาไปท ำ, ปทำปบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะกลับมาเร็วขึ้นเพื mm ่ hmm. คือว่าไปาไม่ว่านะให้กลับมาไวๆ หลวงพ่อคําเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะเก่งเนี่ยมันนักปฏิบัติมันเก่งตรงที่กลับมาหรือว่าจิตเนี่ยมันเก่งตรงที่มันกลับมาอย่าไปวัดตรงที่ว่ามันไปมากน้อยมันจะไปเยอะไม่เป็นไรแต่คอยกลับมาเไวๆก็แล้วกันมันจะไปบ่อยยังไงไม่เป็นไรคอยกลับมาเไวๆและอะไรที่ทําให้มันกลับมาคือสติสติที่ เห็นรู้ทันความคิดดังนั้นเราจะฝึกสติให้เก่งให้รวดเร็วฉับไวให้ฉลาดเนี่ยนะเราก็ต้องให้อิสระกับใจในการคิดให้อิสระกับมันในการที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นคาว่าให้อิสระนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าปล่อยไปเลยนะแต่หมายถึงว่าไม่บังคับ ไม่บังคับถ้ามันจะไปก็ไม่ว่านะแต่ว่าให้กลับมาไวๆถ้ากลับมาไวเท่าไรเนี่ยถือว่าเก่งนะหลวงพ่อคาเขียนยู่บอกว่าเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมาคือกลับมาไวๆและนอกจากรู้ทันความคิดแล้วนะนอกจากการปล่อย อิสระให้กับใจในการคิดคือมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่ให้มันฤกษ์หยันรู้ทันรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันเผลอแต่เป็นการรู้ที่มีลักษณะพิเศษนะคือรู้สื่อๆนะรู้เฉยๆไม่ไปไม่ใช่ว่ารู้แล้วไปกดข่มมันไม่ไปกดข่มอารมณ์ไม่ไปกดขมม่ ม, ดขมความคิด อันนี้ก็เป็นความอ่อนโยนอีกชนิดหนึ่งนะอ่อนโยนข้อแรกคือไม่ไปบังคับจิต 2. ไม่กดข่มความคิดและอารมณ์ไม่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับมันเพื่อคือวางใจเป็นกลางกับความคิดและอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่คุ้นเคยเพราะว่าตั้งท้าจะไป ตบปบตั้งท่าจะไปบี้ตั้งท่าจะไปขม่มความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเห็นว่ามันเป็นตัวทำให้ใจไม่สงบความไม่สงบในความเข้าใจก็าคือการไม่คิดไ ม, ไม่คิดมันก็ดีเหมือนกันนะคือมันสงบแต่ถ้ามันคิดเมื่อไหร่เนี่ยหลายคนจะไปไม่เป็นนะเพราะไม่เคยฝึกที่จะรับมือกับความคิด ไม่เคยฝึกที่จะรับมือกับอารมณ์เช่นความไม่พอใจความหงุดหงิดพอไม่ได้ฝึกนะเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นคือว่าถูกมันครอบงำตกอยู่ในอำนาจของมันนั่นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะหลายคนที่มาปฏิบัติเนี่ยไอ้ตอนอยู่ในคอร์สก็สงบดีนะแต่พอกลับบ้านนี่หงุดหงิดหัวเสีย ระบายอารมณ์ใส่ลูกระบายอารมณ์ใส่สามีมีหลายคนมีหลายครอบครัวก็พูดเลยนะเวลาแม่กลับจากคอสปฏิบัติเนี่ยเตรียมตัวเลยนะงานเข้าเลยพ่อแม่กลับมาก็จะบน่นแม่กลับมาก็จะว่าโน่นว่านี่จนคนก็สงสัยทำไมกลับจากคอสถึงหงุดหงิดง่ายเหลือเกินผู้ชายนี่ก็ ตอนไม่ได้ไปคอร์สนี่ก็แค่ว่าลูกพอกลับมานี่เทศลูกเลยนะคือเทศยาวนี่เพราะอะไรนะเพราะว่ามันไปติดสงบติดสงบมันก็ดีนะมีความสงบแล้วเนี่ยใจยมันก็มีความสุขแต่สงบเพราะไม่มีความคิดเนี่ยหรือมีความคิดน้อยๆเนี่ยนะมันมีปัญหาคือว่า พอมันมาหรือพอมันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนไม่ได้ฝึกมาเลยที่จะรับมือกับมันเพราะอาจจะกดข่มมันเอาไว้พอมันเกิดขึ้นก็ทำใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นก็ถูกมันครอบงาทำให้หัวเสียทำให้หงุดงุนแต่จะดีกว่าถ้าว่าเราได้ฝึกนะในการที่จะรับมือกับมันและวิธีที่จะรับมือกับพวกความคิดอารมณ์เหล่านี้ก็คือแค่รู้เฉย รู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องเป็นวิธีที่ที่ง่ายด้วยคือไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ต้องไปบังคับอะไรเหมือนกับเราดูถนนดูรถที่แล่นผ่านถนนข้างหน้าเรารถมันจะกี่คัน ก, นกี่คันก็เป็นเรื่องของมันเราก็แค่ดูไม่เข้าไปขวางรถรถคนนี้ไม่ชอบหยุดมันซะเลย แล้วคนที่ชอบก็โดยขึ้นลดเลยนะไม่ใช่ไม่ทำอย่างนั้นแค่ดูเฉยๆยาการให้โอกาสกับจิตในการคิดหรือให้โอกาสกับจิตในการที่มันจะคิดหรือปรงแต่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกเหมือนกันนะและไม่เพียงเท่านั้นนะก็ต้องฝึกใจให้รู้จักรู้สื่อๆด้วย แต่ก็อย่างที่บอกนะก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องรู้จักฝึกใจให้อยู่กับอยู่กับกายให้มารู้กายก่อนอย่าเพิ่งไปไปคิดที่จะรู้ทันความคิดให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้เวลามันเคลื่อนไหวแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็นจะสอนนะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ย อยู่นิ่งๆให้ขยับถ้าไม่เดินจงกกมไม่สร้างจังหวะก็พลิกมือไปพลิกมือมาเพราะอะไรนะเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นการหางานให้กับจิตทำเพราะถ้าจิตไม่มีงานทำมันจะฟุ้งนะต้องหางานให้จิตทำเหมือนกระลิงเนี่ยถ้าไม่ให้กลิงมันทานั่นทานี่มันก็จะกระโดดไปกระโดดมาหางานให้จิตทำ แขณะเดียวกันนะมันก็เป็นตัวชี้วัดด้วยนะว่าใจเราอยู่กันเนื้อกันตัวหรือเปล่าเพราเวลาเราพลิกมือไปพลิกมือมาหรือเวลายกมือสร้างจังหวะเดินจังกลมเนี่ยถ้าใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวนะเราจะรู้สึกว่ามือขยับเท้าขยื่อนหรือมือพลิกไปพลิกมาอันนี้เรารู้กายถ้าจิตมันอยู่ในกันเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหว อย่าง่ายหนึ่งความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวหรือรู้กายก็เป็นตัวชี้วัดว่าตอนนี้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือรู้สึกตัวเมือ่อใดที่ไม่รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวแสดงว่าใจลอยแล้ว อ, อันนี้มันก็เป็นตัวชีววช้วัดตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เราไม่รู้ตัวแล้วเพราะเราไม่รู้สึกเลยนะเวลาเดินนะเวลาพลิกมือไปพลิกมือมาหรือเวลายกมือสร้างจังหว แต่ความรู้กายหรือรู้สึกที่กายมันไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดหรือบ่งชี้ว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวอย่างเดียวนะมันยังสามารถเป็นตัวช่วยให้เรารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นด้วยเวลาเดินตรงกลมใจลอยมันจะมีจุดหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าตัวขยับเท้าขยืยน่นไอความรู้สึกทางกายนี่แหละนั้นที่มันจะไปเรียกใจที่ลอยไหลให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัว มันคล้ายกับเวลาเราใจลอยนะแล้วก็มีคนมาแตะมือเรามีคนมาแตะแขนเราทันทีและที่เรารู้สึกว่ามีคนมาแตะแขนแตะไหลแตะมือเราเรากลับ ม, มาอยู่กับปัจจุบันเลยไอ้ที่ใจลอยนี่มันหายไปเลยนะมันกลับ ม, มารู้เนื้อรู้ตัวเพราะสัมผัสทางกายเนี่ยมัน มันไปเหมือนกับสิ่งที่ไปเรียกจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพียงแต่เราไม่ได้เพียงแต่ที่เรามาปฏิบัติที่นี่เราไม่ต้องไม่ต้องร้อยเพื่อนมาสัมผัสกายเราแค่ความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นจากการเดินจากการยกมือสร้างจังหวะจากการพลิกมือไปพลิก ม, มานี่แหละมันจะเหมือนกับตัวสะกิดให้จิตเนี่ยที่ฟุ้งกลับมาอยู่กับเนื้อกับตั ว, พวเพูดมาคือเป็นตัวช่วยนะไอ ความรู้กายเนี่ยเป็นตัวช่วยให้จิตกลับมาอยู่กันเ mm. ลิกกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันทําให้สติทํางานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มารู้กายไปก่อนแต่ก็รู้แบบเบาๆให้ถือว่ากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของใจเป็นที่ตั้งนะบางคนทําให้กายเป็นคุกของใจคือบังคับจิตให้มันอยู่กับกายการบังคับจิตให้อยู่กับกายเนี่ย มันก็ทำให้กายนี่กลายเป็นคุกของใจแล้วพอจิตมารู้สึกว่ากายนี้เป็นคุกนะมันจะทางแหกก็คือจะหาเรื่องคิดนว่นคิดนี่แต่ถ้าว่าเราไม่บังคับจิตให้อยู่กับกายแต่ชักชวนให้เขาอยู่กับกายจิตก็จะรู้สึว่ากายนี้เป็นบ้านบ้านคือที่ที่มีสระที่จะอยู่หรือจะไปก็ได้ต่างจากคุกคุกคืกคกคอที่ที่ เราถูกห้ามไม่ให้ออกไปไหนพยายามทํากายให้เป็นบ้านของใจนะไม่ใช่ทําให้กายนี่เป็นคุกของใจซึ่งก็หมายความว่าต้องให้อิสระกับใจนะในการที่จะไปก็ได้แต่เราก็จะชวนให้เขากลับมาเอากลับมาถูกประเด็นที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้รู้จักอ่อนโยนต่อจิตนะแล้วก็ให้อิสระกับใจอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนจะไม่ไม่เคยนึกแต่ว่าให้เข้าใจว่าให้อิสระนี่คือไม่ไม่ไม่ใช่ให้อิสระนี่คือการไม่บังคับ แต่ไม่ใช่ปล่อยใจไปตะพืดตะพือ น, นะเราก็ต้องรู้จักชวนให้เขากลับมาลกลับมาที่กายกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมารู้สึกตัวอันนี้แหละน่คือสิ่งที่เราถ้าเราฝึกสม่ำเสมอเราจะรู้ตัวได้ไวขึ้นเราจะมีสติได้ได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะฟุ้งน้อยลงแล้วก็จะมีความสงบมากขึ้น เป็นสงบเป็นความสงบเพราะรู้ไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้